ภิกษุผู้รับของฝากที่ชื่อว่าภิกษุผู้รับของฝากได้แก่ภิกษุผู้รักษาทรัพย์ที่เขานำมาฝากไว้ภิกษุมีทายจิตจับต้องทรัพย์ที่มีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่า5้ามาศต้องอบัตทุกข์กดทำให้ไหวต้องอบัตทุละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิก